รักสิ่งนี้ให้สมัยก่อนมีสมัยรุ่นก่อนมีต้นต้นโตต่อการศึกษาบ่างขั้นถึงกับาดเงินสนอทัศน์เรลียนไม่เลิกศึกษาในทางการเงนนิ เ, เลยมเล ม, เมเเื่อแมามีความร่หรอนกะติก หน้ารถาัวกระอ่อนสื่อถทยออกข้อมูสือได้บางทีก็ถึงกับมือสุออดเข้าไอตามกฎเกณฑของโรงเรือนเขากร <c oughs> ะนั้ น, นจะเคยจะแบบราะนั้นต้องควรู้แตสันึกในใจรา สุ่มสี่ร้อยแบบโลกนี่เงียบสมรณ์มาจากความภาคภูมิเฮยนิดๆนี่เราจะเป็นมนุษย์ปรเทศไหนก็ตามจะเป็นโอ๊ตลาดมากหรือเป็นโอ๊ง่ายมากตอนกลางเทืกเขาอ่อนทั้งฝนก็ตามพนมือธรรมะขอนิด เราจนติดในทั no more, ้งจำจะกาดไปติดคนนั hmm. myös, ้นมื่อไรถ้าบกคนใดตลาดข้ต่เล็มากตามกำลังแต่ทั้งจำข้อต่อกขาดความเท่าเทียมดีว่าไม่เมื่อไรเพ่อจะให้คนเหลุกร่วมกันในจุดหมายทั้งตว์ ในาในแขนทางตอนหน้าในทางโลกก็เหมือนกันอันนี้คส่หลายถัม้วต่ตอนกทำโลกต่เตือนออันนี้เ ล, ลกกาเปนแน่นเ็นคนเป็นตัวด้วหนึ่งแต่็นนกก่ือแเป็นตัวด้วยน่งตัวด้วยสองนั้น ไม่นันแขวนแต่นัดแ่ว่าเป็นโค้ดอะไรกันกับต้ากตัวนี้มันเกิดต้นตัวเดิมมันก็พล่อยเกิดเพื่ออะไรกันสิตั้งสองตัวนีน้แหละเป็นส่งสันแขที่สุดแต่ว่ามีความชอบเอียน ่านมีความเพาะตนสันติแนก็มีตราะ้มีความเพาะตือนต้องหนอันตรายมาถึงสางคนธรรราต่นเปงนตุนน้ก็ได้ถงเตืนตุนมันจสำเร็จไามแต่ตายหมดหมดแต่แต่มีควหมดความเตือนมันก็ไปในหล อันมีความเรียบ่ากันสุดมันคอบ่ท้ตัวทั้งู่ด้วยฉะนั้นการทำสอวนี้าหถือว่าควาลดคนเป็นตัวที่สอาครอเพือนเป็นตัวที่นึ่มีความีความเรียบเท่ากันแบบนี้นหมงวลาเมื่อหรนั้น จะอยู่รุดเกิดการทัศน์ใพระพทเจาขราของพรารย์ามาเพราะนั้นรับสมหลังของเา้าะนั้นจึงได้เุทดรงให้พวกเราเพื่อเรตอนฟัง่หนึาเรื่นเจริญลดคนเดีนเล บันโลพระพุทธมิถางามตาวยงามเป็นล่ะคับก่อนเดินจะเป็นเครงเรดุกัผนดุจคนชะข้าเศ้าด้วยพรเมินึ่งเพราะองค์แรกเพราองค์สามยึดรัด้วยสัญญาอำนาจที่เลิศมันต่อาสนงขุนเทีนักว่ามากไม่เชือ มันเชื่อตัว ม, นะมันเองก็ได้แม่ไม่เชื่อความดแรงก็นักล่ะตะะนั้นมันจึงจะต้องเร่มลดบทบาทนตลกนี้ะสชื่อแตัวเอตัวตัวอันกลับเป็นตัวเชื่อเยตัวที่เหือนี่แหละมันเป็นเชื่อสุดสัจนอครบพอเร นี่เจอความเช่าแล้วนะคือพระองค์ได้สอนไปแล้วแล้วเชื่อาแล้วคือพระองค์ด้สอนใจว่าโลก่อนจะพ้นจากทลกต้องสำเร็จมาจากความเที่ยงตรงคนยนมันไม่ได้ไมรูเรื่องเจอเชื่อต้องเอมันโรกมันจะพอจะถึงดงจิต่นั้น มันจะเติบโตมาคือครับตัวสองตัวคนเดียวั้นเติบตมาคือครัเติบโตแล้วเรฟังฟังรมันแต่โล่แต่สุดรงหน่งถ้าไม่ฟังฟังฟงสุดใจมันก็โล่แต่สรงนึ่งไม่ก็จะตรงกันแบบนี้่ก็ตรงตัวนี้แหละตรงสุดความหลังโสุไม่ความัดรงสุด ท้อพันาของเราต้องมีการรมหนึ่งราดับเรียบเรียบเต้องการเป็นอะไรแแค่นี้ก็จะเอาไปวางสุดของรัฐบาลเราแล้วนะเพาะเอาตัวราโดยเฉพาะมันก็มีใจอันเดียำหรับคนเสนอต่ไป เรื่องรอของเตยทำนมมาต้องนักแต่นี่มันเป็นปัญหาปรับต้นมกันอยู่เราอะไรเพราะว่าเราดูเพ้นมเติมว่าตัวของนเตยก็มีพุทธันดียวกเราก็เล่าเพิ่เอิมในหนึ่งท่านบอกว่าเรื่องของสิปธิ์ปัญญานี้มันมากมายแล้วหรอ แม่สาวแมากก่าสนาครับว่มันมีอะไร้าแม่เล่ามาคบมองินกันต้องรงๆอะไรอย่างนี้เต้เ น, ย น, นดยที่คิดก็เหนื่นแมันเต้นไปได้ยัแล้วก็มาเหวี่ยนรอบก็ได้ความมากน่นางายทองควอมตึงมันในสัญญาณตัวเดียว มันห mm. bon ือเป่งานของทำเม็นเส้นะนะไม่ใช่แค่แบบงานที่มีตัอะไรนะไม่อาจนหนึ่งแสนรือเปล่ามีอยแหวนห่นหรือเปม ื um ิญญาณของตัวขเราจริงๆที่ในตอนกำเิดโลกที่ไม่มีว right ิญญาณอื่ขอเราตัวตนมีเพิ่มกับเด็กคนวิญญาณเิ่มาดเนันทนัไม่ตั่แะมันัวน่นนาแต่ว่าขณะรารบตบริมเติบเิไม่ทันากลาวกลางก็มากมาย แต่ละงานเป็นงากระานเสจขึ้นเป็นดนข้อเร่มต you know ้านตัว uh ขึ huh on back on back. ้นงรมเสร็จเป็นงานตึงๆนี่ผมก็เสร็จขึนเสร็จทุกทุก่าง้นมันก็แลมีรงานอมาเร็มาขึ้นายโเริ่มตเรียวทำมมนเสื่อกระดนเสร็จต่อมาวยางขึ้น ลองวแบมาบบ่อหน่อยน้องต่างต่างนี่นนมันอะไรกันเนี่ยนะ่ะนี่นลยมันเป็นงานมันเอน่ะในตัวเองนี่นเป็ น, นตับหรืเอ า, เยาอยางนั้นถือเรกว่าเพื่อเลาะอย่มันจะเรความชนิดมันเป็นตัวเดียวแสบเป็นกลมเป็นก่องอย่างน้นองก็บอกว่ามีต้งแต่พอ มือ so like ี่สงกับโทษซึ่งมือสร้ยร่างกาองรามือรายิดไปได้่ามันเป็นอะไรมันก็คือตัวแรงนี่แหละมาได้เกิดได้เายนะจำไหมแม้รุ่นย้อนไม่มีมันก็มีตัวขาดตันไม่ได้เลยตัวขาดมันขาดตั้งแต่รุ่นย้อนตอนนั้นเราไปเห็นที่เรื่งมันเรื่องกตาว่าาตามมาตามไปัก มันแสดงว่าอะรครับท่านตอนนตอนตตอนหัตอนใัเมื่อถือออกก็จะรันเต้ยแหะบางคราวก็ออกหอบางราวก็ออกกันนะเป็นตัวเ่งไปหมดนี่มันตัวอะไรนี่เลยเป็นปัญหาวิญานีเหมือนรับเป็นวินญาณอันหนึึ่งเป็นของลึกลับ นั่นมีโรคแปลกิดเห็นไหมครับนอกจากโพคตะปูดัดโรติดเชื้มเกิดหรืป่านั e, ่นเลี้ยงม่แสบอส่ยานุสรณละลายไตขนั่นงัน่รเลวิรกนองเรนุงนั่นอุทธอ่ตัวเดียวนะเวิรงานจะไ่แานุรละลา เข่เลี้ยงกับเราเป็ตาวมาไม่ได้บอกไม่ไท้านงานก็มีโรคตปิเ็นตัวเป็นตสมมาํางานทยังไมมีโรคตาแต่มาใส่โรคของเราาบอกไม่เส่ตมาแค่นี้นี่เป็นคนนี้แต่รวมเลือดแล้วเจ็บทำงานมันมีสองกัมพวก เ, น, น, น, เนืร่ อ, ข อ, ขอแล้วมันมากกว่านี้ฉนสอนว่าอย่าไปส่ตัวมันไม่ใชตัวของเรามันไม่เรื่องของเรานี่นพิกจเราอน่ะมันไม่มีอะไรได้แต่ว่ามันจะเป็นแต่ตอตแค่ไนก็เป็อันจะเป็นแตนั่นแหละงานเออระบาระบาดห่ ะ, ม, า ม, านนะมันสมเาเ่ส มาแต่เพิ่มก็ถึงกระบวนการของเราแล้วก็เป็นปต่ธรรมะแต่บางพอมันไม่เอ่ยเ่องร่างกายของเรมันมันไม่รู้การติดแต่ขนี่มันตกดตรอต็นนิดหนึ่งลอกจนนิดหนึ่บล้มจนนิดห้ึ่ตรเจจนนัดหนึ่งลดจนนิดหนึ่ไม่มาเจ็ขึ้นของมันมันเอง้ตเรา เพรคุณงานเกลีระเเป็นกระเันด้วยโดยไม่รู้อเ่อเรื่องเ็มันชางมากมากมันทนได้การคิดการเต้นเต้นว่าสมมติว่าโลกของเราแต่โลกของเรามันนั่งแกล้ดีแต่ห้ามมันก็พอจะทำให้ใจของเราเสียไปรยซึ่งเราไม่ได้กลมันได้นัก็เรื่องึงกัน คือเขเป็นอะไอบานือแต่ก็เาด้วยนี่เนื้าเธอคืว่าเขาเซวันหน่อจัดแทแล้วเนาะเมื่อไหร่ก็พระเบคอนจะไม่ตายเราชอบเป็นแก็เบคอนติดนะนี่เธอก็มองจัดแล้วว่าเป็นจริงแบบนั้นเพราะฉะนั้นท่านจะให้เป็นฤๅแต่ใจเรามันละลายใจเน่ะมันอาจะเป็นใจของสัมันไม่ใช่ใจของเราเป็น เขาอนแต่เรามันจะใก้เาเขา็ล่อยเอืโอนเอียงเขาใแต่ถ้า่นสน่มันเป็นนิทานทุนงานมันเนาสาจะไปย่องกับมันตอนไหนตอนนี้เรือนดก่อนมันไม่ตอนมันหาไปเมื่อไรกใสสาปตามทุนนี่ถ้ามันไม่ช um ่เรื <finest> ่องของเรามันเนเรื่องของเขาต่างหากแต่ันเรื่องของเรา เราเนลาก็ควรจะเดินตอนพอใจหาเราก็ควรจะเดินตอนพอใจต้องตืเต้อยู่เวลาเกิดชนิดนั้นแะมันก็มันเดืดร้อนกันแล้วางชอบกอดบางดูบางด้อยขยานนี่แหละตอนฝืนแรงอึ่มมันเหลาตัวมันเหลาความรู้สกมันมากกะแเ้วแล้วก็รอจนตาสมัครรอจนตาสมัครแล้วก็พ่อง่อพ่อก็ทันทุกเรื่งไปตรงนี้ มันก็ไม่ิดความเสียใจอะไรนั่นล็รกพร้อมไปตามเขานะไม่อพร้อมไตามใจเราเนี่ยไอ้เสื้อเหลืองเนี่ยไอเนือปลาเราโ่เรื่องเขาเป็นต้นกลานสันตัดอมอย่างที่เราฟังกันเนาะมังานมันไม่โตเพราะอะไรนโเสร้งม่ออกไม่ออกไม่ออกเลย มันก็ออกอย่างไล่ะไต่ไม่ตงเป็นสนาธิถ้าต้องคมกันกัแต่นี่ก็จะว่าหน่วยงานก็มีัต่ใจของเรานื่อต่แค่ี้แหละเป็นตัวคบบตัวกเป็นอันนั้นก็เป็นล้วอันนี้ก็เป็นเามันก็่อตัวมันเป็นไม่รู้เรือหน่อยงานนี่งนเราสตหรือาตรณารูอกหอน่าหน่วยงานของเรา็ิมันเป็นยางไง มันโตจากรถกระตุกต่อเราจนถึงน่ะเลนะถ้าเราว่าเราชอบแบบนี้มันโผลันดุแต่เราก็ทาตามคารเือนจนสำเนั่นแหละเรียกว่าเพื่อสัย์เราทำอย่างนี้แต่เราก็ไม่เคยพอใจว่แต่อยากจะทํามนี่อยากจะทํามะนี่ท่นนบางรั้งจะรู้จัทพูดว่าเราไ้สั็ย์ต้างการอะไปแล้วละ มาพักผ่นแต่เราต้องใช้จ่ต้องลดความต้องสั่ง้งังเรื่องความรู้รนั่นทั้งทีเสร็จ้างจะถกำหนดน่การโดยว่ามันงานตัวนี้นะมันเป็นตัวไหนแน่มันเป็นต <c oughs> <tr> ัวเพรเรากุมตึงเลยหรือเป็นยุ่งาอื่นก็ม่ความนี่นงานของเราเนี่ยล้อมไปตามแต่ล้อมไปตามทำทำตดติลาะแระัวแม่ อนนี้เรืองการนงานหรอท่านบอกว่าคนงานมั น, มนเป็นตัวของเรามันจะนาต่าชโทจากนี้แต่เราฟังแล้นี่นงานจำพวกคือ อ, อ, นนค อ, อะไรคือจำพวกคมงานของเราจริงจงนงานเรานี่มันโ่ษ น, นัดต่อเราแนแห่ง้ว่าครงานเราแบบยอรับว่าจะเป็นโทษนี่ การวัดแต่ความชอบความดีมันเป็นความดีแต่เราชอบใจให้ผลแต่เะะราจึกเนืนอชอบแต่ตรงนี้มันแปลแต่จะได้เหรอเพราะมันแปลไ ป, ไปกไเเเปเนน็เป็ น, ป น, ตนสตบอกวา่าบุญญาของเรามันเป็นตัวถ้าบุญญาอะไรเนขะ้าแต่ไดะต้องเคลียร์กันนี่แต่ตอนนี้ก็เป็นตัวเราจริงจริแต่ความชุด็หมายจะมาเลิกความดีไงไม่ใช่ตัวเรามันกองต่อตัวกนเอ ง, เองมันไม่ใช่เรา ธรรมาตัวตัวเองนะะมันไม่พองตัวอะมันเื่ากับมันสร้างจุดในจิตนัรใดเป็นความดีมันสร้างความในสมุลได้ผลความดีเสร็จส้นเติมความใจนั้นและเท่าน้งนี้เป็นจเตงานเราาจรงๆเท่ากับต่อตัวเราได้จรงไม่องโายอมคนราน่ะมันกองได้แ่ไม่ใช่ว่ากอง ต้วมันดูอะไรตมันมีเงินงานอื่นจมาแทรสเอะมัดพเรากนไปเรื่อานเปรียแล้วอเจวนมาจพายเราเนาะพ่อใครไปเอะเนงานอ่นั้นบ่อยผมเมือร้นวตานั่ดให้ทำติดทำส่วนขที่อย่าเราติดแตอความดีให้มันดูเรื่องเราจำได้ทาความดูเพืสอทัดเด็ดทความไเหมานั่นแหละ ต้นตัวเลวอันนี้คนงานอื่นก็าไม่มาแต่า่าอก้มือความหุดล้อมเลอะข้อใสใจความข้อเหล็ดนั่นตึงทราบกอรอไป เ, เปิด็จคนพาลเสด็จคนานอืน่นนอกไปสากผมก็ได้แหละให้เข้าจ่านีเรื่องสำคัญนะ แต่พ่อจากําลังานของแรงงานที่อาศัยในแหล่งใดหล่มันมากงานที่าัยอยู่ในของลักษณะบางบางแงงานมันกล่งกับหลับางแรงงานมันเนี่ยกล่งกับลัเราอยากคามดีเทรดหรือเราสะพ้อมันอยสกควาความดีแต่มันซ่องในซ่อนมันมาใส้ร่างกายเราพาความความดี้ปเรื่อยไ วินงานบางกงมันมาเพื่อสรรพเข้ามาสงหารล่องถานความดีของเรานั่นคืออาจจะเป็นเจตโองเรา่กอเราเคยจะเตือนเขาเราเคยสงหารเขาเราเคยตัดกันเขาเราเคยตัดความดีของเขาพอาะธมบาทเรา หนระบาดคอยห้ามมัดพ่อปฏิบัติอะไรในเรื่อง่อน่ะมันจะไม่ัดเจตเจตบ่าเล็ดเล็เล็เมันจะตายหร่อมันจะงอมันจะตัดมันจะตอกแต่มันจะลอกมันเข้ากันไปมันเข้ากินไปมันก็ว่าเรื่ทงอะไรนี่เป็นพวกน่ะเปนงานของเจตเจโกรธแต่เรามันไม่กลองก็เราก็มีเงาเงินน้อมก็จะงอชนิดเป็นพวก เป็นคนรับแค่นเถอะสมาทบนทำขลันก็ทำไม่ได้สมาเขอเวลาตายเขาเขาจะได้ว่าพระควมนอนบนกรถางเขาบ้างอย่างนี้กันเอฉะนั้นสุดขอเราเนี่ยบองคราวเหมือนกระถิ่งนะมันไม่น่าจะเป็นก็ได้แต่มันก็เป็นได้ทั้งทั้งกระเมิดอมันก็เปิดมองคราวก็เมือนกระเถรวตเวดะใจดีเขาดาวทอดแน่ขนาดนี้บางครานมาโทษไม่น่าจะก็ แม่ตัวเสือ <Draw> น <Safe Otto> ี่เล <ls> ือดทำงานมาเปนงนี fs. ้ตับ <tak> ต้นตอนเตกันแรมากด้วมันก็มีเลืในร่างของเออเปนซอปเนอาเแบบนี้ต้อดในเลหนึมันก็เป็นความเตอมันมาคุณนเนื้อของเราแหไป้างข้นสมมุขาไบ้างกำลังเลือดหอเลือดเอ่อเลืออก้นหัวขาดไบ มันต้องตัดเป็นตัดถึงไหนหรือตัดแบบนี้เอาไหมเอาตัดบบไหนนะ้มัน่้องตัดหัวไปทางหน้มันต้องตัดเป็นหัวไปงไหนะแล้วมันต้อตัดตาทุกตาเมย์ตัดไกดก็ีนั่นแหละมืนจะตัวแองเป็นตัวเล็กอือตุ๊กตว่ลยนี่ะแต่ก่อนเราก็คงจะทำเพาว่ามืออนี้มัก็มาเล่นงานเรา เพ่มตัวงานตครับเติมตัวหนอนเป็นน้เป็นต่อต่วหนอนมันจะมาทอดเป็นหน่ยไปแหละแต่มก่อนแล้วก็เขาจะไปแยกเป็นแหนะเราได้เป็นหนังเขาได้แบบนี้มันจะมาเป็นแหนะเป็นหนังเราเป็นเป็นหลอดม่อนื้อเราเป็นถมอือเราเปนแตรนี้ทไมเป็นการนอเปิดเรามันอต่อเขาไป็นนตับพาะต่อเขไปเปนในลำไส้ต่อไปเนในถุงเทในในตัวเราเอาน ขอดีมันเยอน้องไม่เห็นต้องจับวแหนะน่งมันก็เล่มงานเาเลื่อยไปเลยคุณจนกระตุดจนตามดันไตจนตามกระเพาะจนไตจนทับนทับจนตามเลือดจนเส้นเลือดจนความจนจนไปหมดเราะยามเาอ่านทางน็อตเวาเป็นโรคหรูงทั้งนก็เป็นตัวหนอนเป็นตัวเรคมันก็เริมงานกันเรื่อยไปแบมันเองมันก็รบกะ มันหลงจะโคตรหลงมีทั้งทุดเล่าแต่พะอยทธรรดาเมื่อม่ดูอะไรทันว่ามันจะทะเลาะกันเปธรรมดาเมัอนก็าช่งเจะไปบ้านของเรานี่แหล้เราจะคนหน่อคือไหนละบางทราวบต่อเต้นไปกันไม่รู้ตัวเต้นไปเร่าเพรามันมากแล้วเกินม cool ันทนมือไหวพอจับไปเล่าไปมันก็เกอะกันตึงกัดทะเลาะคันเดินางควนกัน สองคนข้อมันก็เอะกันตัดกันคำหลังคำหน้าชี้ชีเแกะแกะนั่นแหละ้อหนอนมันเตะกันเดินตอไงไม่ตัวอ่อนไงยหมือนกับพื้นแผ่นนี้หลยเส้นเลือดมันเป็นถนนแัดมันก็เดินจะตามเช่นเดิมตัวนี้จะเดินมาตัวนี้จะเดินมาสองคนข้อมันจะตัดกนคนากันเือนโทษค็น้ามันมันคือโทษทันห้เราต้องหยุนอนท้องเตืน คืออะไล่ะนะอ้าเกิดเป็นตเป็นอ้นาเละงั้นเลยมันต่อไปของพวกตัวตมเนยอไแงมีโรคกมีเลมีตอนนี้โเาเขาวันมีเเตือนพนา้นรนกจละนั่มันเป็นความโดยคำสัมันแดงตามเติมระดกอนเลย มันเดินตามเส้นเลือดเลยเดินตามเส้นหล็กเดินตามเส้นไปเส้นบางเส้น้นเส้นตันไม่รู้คองนั่นแหละตัวมันถนอมจนทม่รู้องลมมันเดือเลือดมันเดิอก็เหมือนแม่น้ำเออน้องคอมึงเหนเรือมันเดินคนมันไปเรือเรือทันเข้ามันเป็นเหมือนถนอม เก็้อเก็บข้อถเก็ข้อเก็ดเก็บเก็เกอเก็ดเก็อดเรื่องของงานที่นาของ่างกายของเรามองพ่อเะโยตามเล็บตามองพ่อตะโยกับะเหนหัวมองพ่อตะโยนตะลุกหันมองพ่อตโยนในปาเว้าอมคอขนเตานเหลือกขึนพ่อเรานีละมันเหมือนกับคนนั่นแหละแต่เราฟังภาษาทัไมอ่ะ ทำมาสิเมียเือในโลกมอเมียในตัวตัวสเมทองแินสังข์ชาวต่างนั่งช่วงใจหมดในตัววิญญาณท้อมีอัไรขางหลงามันเกรดจต้องทำตกวใดของตนเสลอย่างนี้ตอนกระด็มันลบกันเปินเมทองชุ่มชักก็เลียบกันก็นีไม่แน่ใจแตรมันท้อยู่แต่ท่อะน้อรัตัวมันก็าับบ้านของมัน ฟอสเฟตยอยไม่จเท่าบางสมด์ฟอสเฟตตามเส้นไม่จะเท่าบางสมด์บางเสลล์ก็ไปกฝงแฝงกันผู้เรียนจอเจอเรื่องอะไรนี uh ่เวทนาไม่เกิดจากพลังงานก็มีมันต้องเปนปฏิกิริยาตาประกบางชนิมันจะโรคเกิดขึ้นบางนิมันคอยเสิดพลันงานตึวอย่างนโรคมันก็อายเลือดของเราในร่าง ต้องเส้นต่อเส้นตืออบ้างเหนืับ้ารเป็นตัวหนอนขึ้นมานี่ถันนี่มันได้รูปปาสดเขเป็นตัวของมันไราเพิ่มมันจะเป็นตัวแหวกแหวกยดดหวหวกขัหน้าขันาเป็นเรื่องเขานี่ยนะโดอทั้งกระดล้ก็เรือสามพ้อามคผงยาวๆนั้นแหละตัวงก็คือพ่อัตึง ในโรคตาใสในรอบตาทั้งหลอดตัใสตาใสรอบตาทั้งหลอดตัวหนึ่งตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึจดตมันมีโรคสามพ่อสามตนพ่ออย่างไมันคนบกันหมดถ้าเราเป็น่งานของศาสตร์ในโรคไม่โรคถ้าเราเป็นวงาน้องตัดยังไม่ได้สางโรคตาอดท่านใดจะเป็นตัวตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไม่โรค นต่จะตอโล้ข้อนแห่ได้ยังไงขนกาฬข้อคอเนี่ยนะจัตเตอร์โล้ได้ยังไงโล่เป็นยังไงไม่ใช่ตัวตนเพรานี่ตัวเป็นงานเป็นงานมันไงมัน่ลงใหญ่เชือมันยัน่อนมันงามมันลาบขอืนนี่คำที่าโล่นงานที่เด็สนับตามันจำไม่ผานเพราว่านี่เมื่อเรามีปัญญามีปัญญาจ้า เติดก็ไม้จุดคงจะรู้เรื่องของยาเธอท่านก่าว่าต่อพอพุทธเต็มตัวพุทอนกลางคืนท่านแสดงว่าจักพุทธมโตรอดาภาโตจักของอุณยานาภาโต่นี่รเธอจะรู้ได้ท้งอาการ3อย่างนี้ตความรู้อย่างว่าเนี่ย อย่างที่เรบอกว่าพารตาต่อาของเราเป็นงานสื่อชนิมันเป็นปลาลางานสื่นดิดตาอรเมือแโรคตาต่อโรตาก่อเนะคือมันมีความโลกแค่นหนมันเป็นความโลกของเราจริงๆเลยหรือเป็นความโลกของวิญงานที่มาแทรกหรืยังเปนโรคตาก่หรือเป็นวิญงานทื่มีโรคตาก่มาแทร มันเป็นความสิดของเราใหลงเลยหรือว่าไม่ค่อยจะแน่นะอืนี่หนึ่งงานที่เกิดมาต่าสอมกับโค้ดสอมกับโค้เนี่ะมันเกิดโลกมันแสดงภาพพือนถือกระดินืนี่แสดงภาพคื้น่ะมันเป็นนงานของเราจริงๆเลยหรือ เ, เป็นึงานของศสตร์สองกับโคด แล้วเป็นงานท้องสอบในโลกลาวก็ไม่โรคไม่รรคในรอง่โรคเรื่องงานนี้สรียกว่าจะโควตาโตโอปาตาโตจะตควตินยาตาโตได้ที่ไหนไม่ได้ไม่มีความรูกไม่มีปัญญาไม่มีงาเพราะว่าพอโตพอของเราถึงเป็นบ่อเกิดของปัญญาปัญตัวนั้มันมาเกิดกอน เรื่งนั้นไม่ใิญญาณของเราเป็นจริเลยหมอมาโหน่ะเสียงนนะมันเป็นสับมาแอบออเออใส่ฟังเรือเป็นสับเป็นรือเเป็นวาของเราเป็นจริงมีความเท่าตนันเกิดขึ้นแหะไม่าบอว่าหรือในวิญญาณอตแต่สนั้นไม่ดีาชอบแต่ มันไม่เคยทำงานขหงเรมันไม่เค่รับเรานี่ของบางอ่างมันต้องนตัวประกอเราไมอมันสเทสือมันไม่โตเรื่องดินงานของหรามันขงจอะไรนปแต่้องมัฒนาตัวง่มันลายจุดโทษบางทีเราไม่พอใจ ม่เห็น่ตาลิศที่เพาะผมนอนตื่รือหรืออะไราขนาดนี้เราอไปเจอไปเท่าหนึ่งี่ึงเงือกว่าตาม่เห็นลอต้องตลิศนี่าลิืออะไรอตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตากาตาตนตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาเาตาตาตาตาตาตาตาตาาต เปนงานอะไรไม่ออกก็ตรวจไม่ปล่าม่เยตรวจเลยไม่ว่าเป็นเงินงานของเราตึงหรือไุ่กเปเงินงานของจจกอดตัดมาไส่เสร็จตงหรือไม่สุดเงินงานของตันโรกเอ๋อไื่โรมือเปล่ามอรียะรึงหรือไม่สุดมเคราเลยมัน ไ, ไ่เคยระ ล, ยยลยอยา้จะเป็นโรคใดยังไง้างอืตัดกอดตัอต พอต่อเป็นยาทาต่อไม่เลยเราไพแ่ขอาต่อเล่นแต่เคยขอรัหมเนบาแต่ของสุดเปบาแต่ของสุดต่เป็นยาชุ่นท้องนอนนอนนมันชอบเป็นอย่างนี้เป็นจน้วอต้องตามทง มันก็แสดงหาถึงนะให้เส้นเนือเสนบนาะเส้บางครับตลนได้ทอแต่มันล้มความุไม่ทำามควากเปนเองบางครมันก็ไม่ทอตัวยาวเส้นเต็บางอย่างมันไม่ทอแต่มันก็ออเนบางอางมันทอแต่มันไม่ออกบางส่วนบางอาเต็มมันทอ ติดองเราก็ดต่ะโห่ก็เรื่องของเติมมันก็มีเติมมันเกิดจากไหนทุนงานเขาเกิดจากไหนบ้าครับมันอาศัยจากไหนเราในโลกอยู่ไร่กนะมันคือมันโดยเรื่องเรื่ก่อนเราอีกมันส่องก่อให้เราหลงตลอดกันเลยแต่เติมก็่ด้รอรอจอดวางติดอะไรนั่นแต่เราเราก็ รับตาไปตามมันมันม น, น, นึ่งจนทุกรับตาเราจะเป็นไปเพราะตรวจจะน่าเร่งเ้ิ่ตาเป็นอะไรเพร่งมันจะต่อยแล้วก็บอกว่าเราทั้งใเนื่อยเปนงานมญญาแต่เพื่อจ ะ, อจะอไปเพ้อไปสมันมราจะตัวเราเป็นมาได้ตัวเราเอมันมาตัอ ว, ต อ, ว, ว, ต อ, วต อ, อะไรมาเข้าๆมันก็ดึงกันอือมันก็คนมนต้องเจ้าต่องผีนี่นะ 9, 3, นนนมันก็ว่าไปตามเรื่องของมัน มันตรงนีเาพาตกขึนเป็นบ่อเกของรถรถมันมาต้งอารูแต่ความรู้สึที่เรือตดินหลักมนงําไปมาตัดขึ้นน่ะมันนําอะรมาต่อเป็นงานของสัต์มันโดยตารเกิดสอนคมรื่อนนีไม่นอนรรอกนเราไก่ขึ้น ตอนนี้เสร็จไม่ได้แต่มันาเส็จอืมแลที่มันอากเสร็จนไแร้วงเดืแล้วไม่ได้แต่เงินงานับมัอยากเสนจร็จจนะไต่แเล่าหงส์หงสที่้รับเินแต่น really? so ้าตากาสอเรียกอะไรล่ะร <sh arp un> <im> <uliflower> ้อยหนงางนานมณรัฐบตัวกมันเป็นเงินงานเมื่อไรรับไม่เคยสักน เออมันเป็นงานกอพอเป็กัานในโลกเออเป็นงานเนโลกต้องเ็ปลาจัดเป็นแตงหลักไม่ทราบไม่ทรบอ่างนี้แหละคนเราต้องโทษคนฝนพ่อถือเราไม่ลำพองพ่อเป็นตลาดไรแต่ด้วยตึ้นเขาเราตึ้นึงมันไม่อตกแมันตบตกนั่นแหละแล้วได้เสบควัควันเป็งานน่ะสระาไม่ทราตอนรรักเสือแต่ลราถึงสอบแค่หลัก๋ต่นีมันเือเสียพ่อ ต้งรียกว่าในเรื่องารงานใกระาแล้วก็สวบชั้นวางในกระนาตะาตตาตาด้วยแต่ในเรื่องอะรเลยนี่แม่ตอนเสร็จงานแ่ไมเรีย้สันนี้ม่ขวบก็รอก็รอก็ไม่ตัดก็รออต่ต้ตอมาบอกต มันรู้ได้เัรงทุกอย่างเดณฑร้อนตอนแสงก็ความเครในปราสงวนั้นเข้มงวดขึ้นเงี้ยมันเป็นงานของเก่าก็ไม่เคยเข้มงเป็นงานเก่ากนี้ไม่เคยไม่งนไรเก้มงวดถ้าเื่อว่าเราหนาวึ้งจึ้งบเดือนร้าเผื่อว่าร้นจึ้งจึงนี่ยบาเดือนมันไลาแต่ที่น่อนเหื่อเหง่ มันพอเสร็จถึงจะงมันคนเม่อใครจะเล่ากเข้าถึงปั๊บมันเดิมเล่าสองสองแค่จนแสงสถาบันพอคนที่ไหใครจะเล่ามัได้นี่เพราอะไเพรมันเป็นงานเอก่าสนขอที่จริงมันไม่ใครจะเล่าแต่ทำพินเวลามันน่าสนกวดก็แล้กันอาจาั่นแหละเมงงานก็คือในตอนแรกเป็นไม่ในฝ่ายามันก็ถอดยุ่งชิงงานมองก็ันครอบหนย มังกรมองโคตรนทอดล้อโคตรองโคตอยู่ในโลกแห่งแดดมองโคตรทอบอยู่ใจแดรล้อมองโคตรทอดอยู่ในแดดหนามองโคตรภาพเป็นขอนแทคมองโคตรภาพเป็นของอ่อนมองตัวล่วงตัวพวกมันเป็นคอนคอบในตัวเราสมัครสอบมาอบชื่นสนุงเป็นขอนแทคสอบนู้นสอบปอยู่ขึ้นทะเนี่มองโคอรกันล้มองโครทอดร้อมองโครอดหนา ถตามันหล่อเปนมาแต่เราเอาทุ่งไม่เลยใก็เอาเราข้อาคาร้นจริงๆเาเราพอใน ก, ก็เก็ว่าไปเราเป็นเราเป็นอย่างนเราเป็นอย่างรกตายปเป็นถือตับขมื่อไรในก็นึ่งอตเรือก็ไม่มีัณหมีความรู้เตะเลยใ่หลังอึดหัดไม่โผล่จพัฒนาหรือเปล่าตัณงามันไม่เป็ตัวของเราไม่โผกเลยตัวเราจริงๆมันไม่ตัวนึ มันย่อมยอมเคลื่อนลอยมออน้ต่ในใเรทรป็นเดียวกันทุนนิตร์โภคาสงฆมันเนรต่างๆธรรมรตน์ธรรมรัตเป็นทุกข์ในเรืองทุดข์ธรมร์ี่จะเป็นเหอะไีนมันเกิจเหตุมันออจะมใน้องงานสมาธาตุมาธาตุาตุเลือดความทสของสัตว์โร มาถึงตัวอะไรว่าเป็นางานท้องฟ้าหรือเนื้โลบองแบบหรือข้อโคตราะไเมื่อก็ทำให้หติก็หลอดเต็มไปด้วยเลยวั น, นนี้เราก็ไปสบอบมาออกมันมีเลือดแทรกแร <c oughs> งจะไมส่สอบนะน่ะมันจะน็นเนื้ออารมณ์ของกระดูตเป็นอารมณ์ท้องฟ้เป็นอารมณ์ท้องดารงงาร อารมณ์อนคว่เป็นอัตต า, าเราก็ต้งองอ่ า, อ า, านนะ่ะก็แง่ข้อใต้นะชงเสร็จของเอกมันก็ในเรื่องมากซ็ตเรามันในตัวเดีวว้นงานก็ใตัวเดียวไม่มามมนานหนึ่งก็ต้องหถ้าหนึ่งมัไปเป็นสองสปเป็นสามไปเร่อยเราก็จะในเรื่องว่ า, า, ว า, า, าติดาวรอะไรไปตอ เมื so ่อนานจะสร้างบ้านในรูปคารูปคาเปเขาคว้าคนงานตับมาร้างบ้านเป็นหัวมรดรูปาเปิดตะมือคว้าคนงานข้งับมาสร้างบ้านในตะมือเตมเล่มคนงานของับสร้างบ้านสร้างเมืองลึกสต็นงาน้อหลายสร้างบ้านที่ว่านกดตัวคนงานตอนตัวเดียวทงานโต้เขาหน เดนั้นความอาเทียนของเราตึงด้ากกรให้าะเลืองรของเราเนี่ยหน่งกระตุกหัวใจจะหนักเล่นกายติดติดมาไม่รู้ที่ไหนคนมาที่หเด็าสพติดมาได้มาทํลายร่งของบ้านของของเวียดาก็ได้กระตุกโดเรื่องไม่ได้ทะเลภายในถูกตั้งใสาถูกตั้งใ เมื่อราไม่ปฏิเสธเรื่องเลีงากันับตัดสินอาคตจต้องตังเรื่องเราของสัเป็นอะไรไปบ้างของเราไม่เลยเปสิดงต่ันมาถ้าเรยว่าเป็นอดีตมมันเรื่องมาแม้คนจบก็จะเลาเปพิจารณาค่ะอย่างนี้เมื่อปฏิเสธรื่างเ้ยงลากนเสร็จมก็เกิดเป็นปร์ตี้ขึระเรนเต็มได้ บนึเป็นถเมื่อตาเป็นไม่เปนทางการแต่ตึ้งเรตัเป็นไปไดืบื่โรคการขอคนงานนไปตดถืเบนนกมันละคราึงตึงมันจะสรัดกวนหัวใจของเราตึงตึเบืายนิดินทองเบื riends, hta, ่อจาถือดอ่อจ่าขตึงตาาโรค ตาตาดวงวเราปเรียสุดเพาะตอนนี้เปอันหน่เบียร์หูปัตตาตอเป็นะไรเบียร์สิบนี่ตอนนี้ตาดวงวะเนี่ยเป็นอันเบียร์วนี่เราทำเปมัตติใ ตาทาะโกดไปเป็นตาตาทะเละมาเห็นได้ตาหลายกดชอดคราวตัวโอทะเละมองเวเร า, าคุ ร, ค ร, มมครกรั น, น, นเรืเองเขาจะงดใตรึกถอนทุ่นทะเลาะทนดีแตามันครรอยลรวก็หาบุกเรื่อคทายละไม่เกรงจินตุลรักคอยดิงยา กายกายกายามรัตความร้อนไม่ดดติดความิดความเย็นไม่ติดคงามตดคอามแสงต้านต่อในร่างกายไม่ติดไม่เสือมเราเรื่องมะไรเกี่ยวับโน่นเป็นอ่างนั้นจนใจกว่มืมอไม่รู้เฉถๆว่าเป็นของของตน้นจนเราเอาไปสัมผัสก็ไม่รู้อะไรจะอาดควาสติด แต่ความรู้ต่างๆว่านั้นเนงานองสัตวในโกนั้นเนงานของสตวในโนั้นเป็นงานของเราตึกรอเร่องทั้งหมดนั่นและเรียกว่านึ่งงานนัทเป็นสิบมุดเป็นบเมื่อหน่อในวิญญาเบื่อหน่อยอารมเลท่มุดแต่สิบแต่สไม่เคิื่องทะเล ไม่แม่เตะตาตาไม่เปลีนโลกหัไม่เตลีนเกลือนทนเราไม้เปลนขก้นลื่นไม่เปลนหลับตาไม่เปรินทํงนนมมนางหมดช่วงติดไม่เปลีนอารมณ์ที่เราจะไป้บไม่เกียวข้องแต่งวันวุฒิาชไม่แล้วเรือกว้าเปนโทษเท่าเท่ากับนิธา เรื่อรตัดนือถตาเนองติงานงาติดสินอาาติคุกตางประมาั่งกัมวิริยะรกตตีบตรใ้ถนแล้วก็ทราบครับว่าตรงนั้นเป็นวินญาณของศัตรูงนั้นเป็ น, ญญนินงาณของเราลอยโรคไม่รักษาแล้วก็รู้ได้ว่าเรา้อนใจจากวินงานทั้งหมดถตัดหัวง <c oughs> ิญญาณของัดในโรค ไม่ใ่เป็นงานของเราเงินง า, านของตอบไม่เหนไม่ใช่เป็นงานของเราเงินงานของไตเหนียวคมรูไม่ใช่ตัวของเร ล, ลอยวางตปทำศัลยนั่นแหละจึงเรียกว่าเป็นโพราะากปัญหาการรัชการอกนี่ึงจะพ้นไปจากโลกตาตาอนอนเงินไกลเหมือนปเปิปดตั้งแต่เลือดขาบตาบ้า เราต่อมาถึงจะนองไระละยร้อขึ้นบาเมื่อตาแในเอโนกไปต่อมาถึเกิดตาอื่นนองเห็นใครหัวแม่เทือกมองเื็นใครสนมัวคอยเทือกนึ่งขึ้นเทวดาแม่ต้องต้นเป็นมนุษย์ในมันร่างคลานจระมดกร้อนแม่เือกนึ่นยาหุนนึ่งาหารหด ในี่ยติดสมบเราก็อยู่ในความสบายใสบายสนั่งที่ไหนก็สบายนั่งก็สบายเลนก็สบายอ็นั่งดื่อ่อนก็สบายนั่งดื่มขก็สบายหลังตายก็สบายหก็เพ้อก็สบายมอ่ายจะักตัเนไแล้ว่ายจอรมนี่ยเ็นั้นก็พอ คนจนร็จะพ้นไปจากปัอาเป็นงาน้อนแบบว่ก็จะมาในมาหลอกลวงวงใจของคนคนนั้นก็จะ้นจากทกแต่คนป็รามีสดะล่าวัว่าน e. ีา่แสดงมาเร like <fen> so ื่องอะไรต้องการเด็จทดขอแต่รู้ความรู้แต่ในตวามกังวลนีะเงียบรอ เวรงานเป็นโรคปลบเป็นปลาเมล็ดแม้แต่ในรเถึนสวัสดิ์เงรยานเป็นในโรคปลาบเป็นออเปนโรคปลาทองเวรยานของตนเทงนั่นแหละคือประนเมื่อเริ่มเวรยานต่อานาเมล็ดมาเจอปลากระดูกมากเรื่องเขรยานไั้งสองกระดับภาพเมื่อวานนี้ก็บ้าวตายแล้วทีจนด่ ไม่วไหเราให้มันเป็นภาพจะไม่ฟัาพขึ้นกรเาไม่ฟังหวกมันจะเป็นภาพขึ้นก็พาอ่ามันจะเป็นแบบให้ทำใมันแหลไม่ดมันาพขึนไปขึ้นก็เพามันภาพขึซขึ้นก็พมันภาพขึ้นเลือดขึ้นกรเพาเนแหเป็นงานข้าไหวก็จะตามเข้าปมันก็เต็นเสือเต๋อเสือเอขมันก็ประกอบข้อเสนอไม่ฟังแรกก มันก็แปลจะได้รับความดูแลจากหลันวางันร้อนจม่ได้รับการนะครับไม่เคยโหเป็นอิสระไม่เจอโหยเป็นอิสระต่างคนต่างโหยต่างใครโหยข้าใครเป็นโอใครนอนก็ต่างคนต่างโหยต่างคนต่างสดายไปเรื่อยเลยไม่รักษาขั้วกางแงโทษบาดเจาแงตาป่วยแง่พญานาคทำแง่พ่อจับเด็กแง่เด็กจับพ่อแง่พญานาคจับโตกับตอนก็ได ว่เตรนยเตรตรยเยมาตรียมว่าตยเรีตเตรเตรเรเตรวตราราตรตรียตเรม่ตรารยตเมเรีตราตรารีมตมเตรตราตม่เตรนมเย่รีเตรเตรมวเวตวาวเตร่ตรีาตมว่ตะีม่มวตมายวาเตตายมร จะจับพ้นตัก็จะสงสาเป็นอัตวะทยาต่เป็นรองจุดฉะนั้นเมื่อข้อใดสงสางเลยก็ควจะนำไปตัวนี้เป็นหน้าเงินที่ตอมาดยการเข้าใจเข้าต่แจงแจ้งเจอในตอนก็จะเป็นทางพ้นจากอความความเรี่งควมมันกองหัมันเหวี่ยงดตัวน้สหลับเรืงต้องมาข้อควรจิตจะเปาต่ในข้ครับซึงจะเป็นไปเความ ทางาาสภาคณะนตรีเพื่อจะเร่องกา้แสดงเรื่องการแสดงมาก็จะเวทุรองคณะแรงเสน